พระธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10เมษายน2556มีชื่อเรื่องว่าดอกไม้หลากสีวันที่12จะมีดาค เข้ามาอีกนะนที่สิบสองแล้วก็จะมีสิบสามเข้ามาอีกนาคที่จะมาบวชอีกพอดีกับพวกนักศึกษาลูกหลานสิริราชที่ยี่สิบจราสิขากลุ่มพวกลูกหลานเนะี่ยเราจะมีกลุ่มหนึ่งเข้ามาอีกก็มาบวชอันนั้นคือกลุ่มเจดสถาบัน พวกนักศึกษาชมลมพ์เหมือนกันอันนั้นเป็นมาเป็นกลุ่มแรกเป็นนักศึกษากลุ่มแรกที่ยังไม่เคยมาหลวงพ่อก็เออเอารับเพราะว่านักศึกษาเป็นลูกหลานวัยการศึกษาวัยเรียนรู้ควรจะให้ศึกษาธรรมะปฏิบัติ หรือว่าศึกษาอยู่แบบอยู่ป่าดวงพงไพ่ต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานเหล่านี้จะได้เป็นทายาทของพระพุทธ ศ, ศาสนาเป็นทายาทของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกเราไม่ปลูกฝังทายาทไว้แล้วจะทำยังไงต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นหลวงพ่อมาคิดถึงจุดนี้ถึงจะลำบากในการดูแลลูกหลานหลวงพ่อกับพ้อมที่จะ ให้ทุกคนเสียสละภายในวัดช่วยๆกันคิดช่วยๆกันจัดช่วยๆกันทาช่วยๆกันรับภาระธุระของพระพุทธศาสนาแต่บวชคราวนี้กา ก, กะกันไว้ประมาณส0สิบนะที่จะมาอีกส0บว่าพูดในหนังสือว่าเจดสถาบันคือสถาบัน จุลาธรรมศาสตร์รามคำแหงจุขโขทยัยมหาอะไรมหาสา ร, รคามแต่ที่ไหนบ้างหลวงพ่อก็าจำจำไม่ชัดนะสรุปแล้วก็คือเจ็ดสถาบันเป็นชมรมพุทธหลวงพ่อก็เออเอาอรับเพื่อจะเป็นการทดสอบทดลอง ลูกหลานเหมือนกันหลายๆสถาบันนี่จะเป็นยังไงแต่สถาบันเดียวอย่างศิริราชเนี่ยมหดนหลวงพ่อรับแล้วไม่มีปัญหารู้สึกว่าลูกหลานเป็นผู้ตั้งใจดีมากเป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษาในการประพฤติธปฏิบัติไม่ได้หนักใจเมื่อมาอยู่เข้ามาอยู่กับหลวงพ่อถึงจะมาอยู่ใหม่ก็เหมือนกับ ลูกหลานเข้ามาอยู่ในบ้านพ่อปู่ย่าตายายก็ไม่มีอะไรหลวงพ่อก็พูดแบบลูกหลาน เ, เข้ามาพึ่งพาอาศัยจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรหลวงพ่อก็พยายามยัดเยียดแนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนาให้กับลูกหลานทุกคนเพื่อให้ได้รับการศึกษา แต่บางครั้งอาจจะหนักหนาไปบ้างอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ถึงยังไงเรามาเพื่อการศึกษาต้องได้ยินทุกอย่างทุ ก, กแบบการเป็นอยู่การดำเนินของพระป่าหรือพระกรรมฐานหรือว่าหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยหลวงพ่อจะพยายามเอาแนวความคิดให้กับลูกหลานได้ฟัง ถ้าหลวงพ่อพูดหลวงพ่อก็จะพูดเองถ้าหลวงพ่อไม่ได้พูดเก่า m อ็สที่หลวงพ่อได้พูดได้แนะนำก่อนหน้านี้ออกมาเปิดให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาจุดไหนที่จะเข้ากับการศึกษาของลูกหลานที่มาอยู่ในวัดของหลวงพ่อแต่ถึงยังไงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสถาบันไหนมันก็ต้องมี สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีนิดหน่อยแต่ว่าหลักทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสวากาตธรรมอันนั้นตำหนิไม่ได้แต่เพราะผู้ที่นำทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามานั้นก็มีหลายคู่คนพระเนในวัดของเราตั้งแต่หลวงพ่อเป็นต้นไปแล้วก็พระเนรสัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่า จะให้อยู่ในกรอบทุกอย่างก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แต่หลัทําคําสอนนั้นไม่มีที่ตำหนิแต่พูดนำมาปฏิบัตินั้นอ่ะจะให้ปฏิบัติตามธรรมคาสอนทุกอย่างก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยากเพราะพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันต่างคนก็ต่างมีมีกิเลสฮะบางคนก็จะแดงออกมาทางไม่เหมาะสม แต่พวกเราเข้ามาศึกษาได้ยินเออทำไมเป็นอย่างนี้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าออท่านไม่ได้บอกกล่าวอย่างนี้แต่ผู้มาปฏิบัติธรรมทำไมเป็นอย่างนี้เออมันมีอยู่กับทุกสถาปันออไม่ว่าจะท้าบัญกฎหมายผู้รักษากฎหมายแต่แท้ทำผิดกฎหมายก็มีออออไม่ว่าการแพทย์การหมอการอะไรทุกอย่างออแต่ การบอกกล่าวหรือว่ากฎเกณฑ์ก ฎ, กฎกติกานั้นดีทุกอย่างแต่ผู้เข้ามาอยู่นั้นย่อหย่อนกว่ากันแต่บางคนก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกฎหมายการตามกฎกติกาที่ได้บอกกล่าวขีดเช่นบรรทัดเอาไว้แล้วแต่ผู้ที่เข้ามาเนี่ยมาอยู่วงการ น, นั้นน่ะบางทีก็ย่อหย่อน ในแนวความคิดในการกระทำในการพูดเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่มันสู่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อคคิดว่าคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันหลวงพ่อไม่รับประกันว่าพระหรือศรัทธาญาติโยมที่มาอยู่วัดหลวงพ่อเนี่ยจะอยู่ในกฎกติกาและไม่ผิด เลยตรงพ่อก็คงจะรับปาะการอย่างนั้นไม่ได้แต่ถึงอย่างไงพวกเรามาอยู่ก็เหมือนกับนิ้วมือของเรานั่นแหละอมันทำไมนิ้วโป้งมันทำไมใหญ่ทำไมสั้นนิ้วชี้นิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยมันก็แปกแตกต่างกันแต่ถึงยังไงมาอยู่ด้วยกันผสมประสานกันผสมประสานกันลูกมาจากหลายสกุล ลุกศิษย์มาจากหลายสกุลได้รับการศึกษามาหลายสถาบันความโง่ความฉลาดแปกแต่ต่างกันอันนั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์เหมือนกับต้นไม้เกิดมาในแผ่นดินเดียวกันทำไมมันมีสีต่างกันสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีอะไรมีต่างเยอะ ทิ้งที่มันเกิดมาจากพื้นแผ่นดินเดียวกันทาไมมันต่างกันอันนี้ก็คือธรรมชาติมันเป็นมาอย่างนั้นแต่พวกเราเอาดอกไม้นานาพันธ์มาร้อยให้เป็นพวงมาลัยเป็นผู้ฉลาดนะนายมาลาการผู้ฉลาดร้อยพวงมาลัยดอกไม้ลากสีดอกไม้หลากสีเอามาร้อยให้เป็นพวงมาลัยสวยงาม ถ้าว่าเอาแต่สีแดงมาใส่อย่างเดียวสีเหลืองมาใส่อย่างเดียวดูๆแล้วก็ก็สวยอยู่สวยในระดับหนึ่งแต่มันหลากสีเนี่ยจะสวยกว่านี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเราท่านทง า, างหลายหลายตระกูลหลายสถานะหลายการเป็นอยู่หลายวิชาอาชีพเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจากนั่นก็ มาอยู่ด้วยกันกระศึกษาเรียนรู้ทางคนหนึ่งเก่งคณิตศาสตร์พวกนึงก็เออเอคิดตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วคนนั้นก็จะพูดให้ฟังครับเปอย่างนี้อย่างนี้บางที่เขามีฉลากยามาพวกที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษคนหนึ่งได้เรียนภาษาอังกฤษคนนั้นรู้เนี่ยเออเอาอ่านเอาิเขาว่ายังไงคนที่รู้เขาก็จะได้อ่านให้ฟัง แต่คนหนึ่งรู้ภาษาอังกฤษก็จริงอยู่แต่สับหมอสับแพทย์ไม่รู้อันนี้ก็สับแพทย์สับหมอคนหนึ่งรู้เนี่ยก็มาพูดให้หมู่ฟังเพราะนั้นต่างคนก็ต่างมาอยู่ด้วยกันทั้งกฎหมายทั้งภาษาจีนภาษาต่างๆวิธีทาเอาหงอาหารอย่างนี้เป็นต้นวิธีการเป็นอยู่ถ้ามาอยู่ด้วยกันต่างคนก็ต่างให้ความรู้ความ รอบครอบในหมู่ในคณะการเป็นอยู่ด้วยกันก็เป็นผึกแผ่นคนหนึ่งอาศัยทางหนึ่งคนหนึ่งอาศัยทางหนึ่งคนหนึ่งอาศัยการเป็นช่างคนหนึ่งตีตะปูก็ไม่เป็นแต่ก็อยุปุติอยู่แต่คนหนึ่งสร้างเป็นเอาอาศัยคนนั้นแต่คนหนึ่งอ า, อาศัยแรงนี่แหละมันก็สรุปแล้วก็คือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกับนิ้วมือของเราห้านิ้วนั่นแะ นิ้วโป้งมีหน้าที่อะไรนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีหน้าที่อะไรถ้าว่าทุกคนรู้จักหน้าที่ฮะข้อสำคัญเนีย่ยจะไปก้าวก่กันเท่านั้นะอย่าไปทะเลาะกันให้มีความพร้อมเพียงสมัครีกันให้รักกันเอาไว้ในสารานิยธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้พระพุทธองค์บอกว่าเข้าไปตั้งกายกรรม ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสัมเนยทั้งต่อนหน้าและลับหลังฮะด้วยจิตเมตตากายกรรมก็คือเข้าไปช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์อย่างเน้นน้อยคองผ้าไม่เป็นอย่างนี้อา้าวเข้าไปช่วยคลองผ้าแนะนำแต่ทำยังไงหรือพระบวชใหม่ทายังไม่รู้จักพระเก่าก็ต้องเข้าไปตั้งกายกรรมไปช่วยคลองผ้าไปช่วยดูแลประคับประคองช่วยกัน ด้วยจิตเมตตาหรือมากกว่านั้นกับพระเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่จะช่วยเหลืออะไรกันได้เข้าไปตั้งกายกรรมดูแลดูแลน้าดูแลหยุกยาอ ะ, อะไรที่จะช่วยเหลือได้ด้วยจิตเมตตาฮะอันนี้ก็ตั้งวจีกรรมเข้าไปแนะนำบอกกล่าวสิ่งไหนที่จะบอกกล่าวแนะนำได้ก็แนะนำ สั่งสอนบอกกล่าวอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้เพื่อจะให้ผู้ที่เขามาอยู่เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่าไปตรงหนั้นนะต่อมันต่อยนะอย่าไปตรงนี้นะระวังงูนะเฮียอย่าไปตรงนั้นนะมีต้นไม้มันจะค้นทั บ, ท บ, ทบนะ้าอย่าง น, นี้ก็คือวัตถีกรรมแนะนําในทางที่จะเป็นพิษเป็นภยัยหรือเป็นคุณ ทั้งเป็นคุณด้วยทั้งเป็นโทษด้วยด้วยจิตเมตตาแล้วก็ตั้งมโนกรรมคิดอะไรออกมาก็คิดมีแต่อยากจะเกื้อกูลหนุนอยากจะให้หมูพวกเพื่อนมีความร่มเย็นเป็นสุขที่อยู่ด้วยกันมีด้วยจิตเมตตาไม่ได้คิดพยาบาทอาฆาตให้ค่ายกว่าคิดช้ากันลักษณะยอย่างนั้นไม่ควรจะมีพราเราเป็นพระฮะ มีอะไรมีแต่เกื้อกูลหนุนบอกกล่าวกันด้วยกิตเมตตาด้วยตังมโนกรรมแล้วก็รักษาศีลเสมอ ก, กันกับเพื่อนภิกษุอื่นคล้ายๆกับว่าไม่ให้ย่อหยอดไม่ให้ย่อนต่อพระพินยัยไม่ให้ย่อหย่อนต่อศีลและวิญญาณที่ตัวเองจะรักษาให้รักษาศีลเหมือนกับภิกษุสามเณรอื่นจะให้เป็นที่ตำหนิของหมู่พวกเพื่อน ไม่ใช่ว่าสุ่มสุ่มซ้ำชาบเมียแล้ก็จับชั้นไปเรื่อยจนหมู่ลาคาญโอ้ทําไมไม่ประเคนซะก่อนทําไมไม่ให้ถูกต้องตามหลักพระวินัยก่อนเอทําไมทําอย่างนี้อทําให้หมูลังเกียจถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่ควรจะให้ลงอุโบสถ ด, ด้วยนะเนี่ยพระไม่มีศีลแล้วเนี่ยอันนี้ก็ทําให้หมู่เพื่อนลําบากอันนี้ก็ไม่เป็นผลดีสําหรับการอยู่ด้วยกันพอ้นรักษา ด, ดูตนเอง ให้มีศีลเสมอกันกับภิกษุสามเณรอื่นให้มีทิฏฐิคือความเห็นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบาปเป็นบาปทำบุญเป็นบุญเอทำสิ่งที่มันไม่ดีให้มีทิฏฐิเสมอกันกับภิกษุสามเณรอื่นถ้าคนทิฏฐิไม่เสมอกันไม่ได้นะเขาเห็นอย่างหนึ่งโตเห็นอย่างหนึ่งอเอผลในสุดมันโอกาสที่จะทะเลาะกันได้ง่ายเมื่อเราเห็นอย่างนั้นมันเป็นยังไงอต้องปรับปรุง มองดูตนเองเออทานเราพูดไปแล้วคนอื่นยังทักท้วงมาอีกหลายหลายคนเราก็ต้องอ ม, มองดูตนเองเราเห็นผิดหรือเปล่าเราก็ต้องลดทิฐิมานะของตนเองลงนะมีทิฐิเสมอกันกับเพื่อนภิกษุสัมมาเนนอื่นเออไม่ดันทุลังอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งปันลาบที่ได้มาโดยชอบทำให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมาเนนอื่น ไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะพผู้เดียวอันนี้ได้มาแล้วก็รู้จักแบ่งปันอาหารการบริโภคเป็นยังไงพออยู่พอชันไม้ผ่านนุ่งห่มเป็นยังไงยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเป็นยังไงที่พักพ้าอาศัยเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีน้ำใจต่อกันและ ว, ว่าพวกเราอยู่ด้วยกันถึงจะมากหลายองค์ก็มีแต่ความร่มเย็นผาสุขพอภิกษุอยู่ในสารานิยธรรม ทำเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมของหมู่คณะสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้านะลูกหลานนะต่อไปพวกเราก็จะจะเป็นแพทย์เป็นหมอให้มีสาระในจะทําอยู่ในจิตใจให้มีน้ําจิตน้าใจต่อกันหรือว่าจะเป็นทําราชการงานเมืองประเภทไหนก็าตามหรือฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกัน ต่อไปภายภาคหน้าพวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ปกครองลูกน้องบริวารศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องให้มีกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาและก็ให้มีทิฏฐิคือความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ให้มีศีลรักษากฎหมายและสาสินวินัยให้อยู่ในกฎระเบียบแล้วก็ให้มีการแบ่งปันเมื่อได้อติเรกราบมาโดยเป็นธรรม ถ้าเราคิดไว้อยู่ในใจอย่างนี้พวกเราอยู่ด้วยกันมากน้อยอก็จะร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่แตคิดขึ้นมากตมีแต่คิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนการกระทำออกไปกต่เราจะหักเล่หักเหลี่ยมยังไงการพูดออกไปก็มีแต่ข่มคนอื่นเอาไว้กลัวคนอื่นจะได้หน้าได้ตาคิดอยู่อย่างนั้นพูดก็พูดไม่เป็นธรรม ทิศทคือความเห็นเขาเห็นอย่างหนึ่งตัวเองเห็นอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นมีแต่ความหายันะจะเข้ามาอยู่ชุมชนกลุ่มนั้นๆหลวงพ่อเคยพูดว่าความอิจฉาอยู่ในชุมชนใดความบันไลยอยู่ใกล้ๆ ก, กับชุมชนนั้นอยู่กับชุมชนนั้นพูดง่ายๆเพราะนั้นความอิจฉาพยาบาทกันไม่เป็นผลดีให้ความเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารีต่อกัน เขาเราอไม่ใช่ว่าเอเมื่อเขาได้ดีบางคนก็ น, นิสัยดีก็เอื้อเฟื้อเอื้ออาทรแบ่งปันให้เราได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้สอยด้วยแอ่ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอิดช้ากันอคนอื่นเขาได้ดีคือทนอยู่ไม่ได้ตาลีตะเลือกอะกระเสือกกระสนะเพื่อจะหักลบล้างเขาดูถูกเหยียดยามเขาะผลที่สุก็เลยไม่มีใครเหนือใครแต่เนี่ยเหมือนกับ ประเทศชาติพัน์เมืองของเราในยุคนี้สมัยนี้นะใครจะปีนขึ้นตนมากก็ดึงขาเอาไว้ผลีนชุดก็เลยไม่ลูกใครจะเดินไปทางหน้าทางหลังที้งสารบวนวุ่นวายกันไปหมดทิ้ง น, นี่แหละสรุปแล้วก็คือความอิจฉาคือความไม่ส่งเสริมซึ่งกันและกันแต่ตามไม่จริงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วใครที่มีสติมีปัญญาแลวก็มีเมตตา มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจเที่จะเป็นพึ่งที่พึ่งพาอาศัยได้ก็ต้องยกให้เป็นหัวหน้านี่แหละหัวหน้าเมื่อเป็นหัวหน้าแล้วก็ต้องมองดูเถอะเนี่ยการกระทํำของตัวเองเ อ, อย่าไปถือพักถือพวกอิจฉาพยาบาทฉันทากติโทสักติโมหากติพยาคติอย่าได้มีในจิตใจของผู้เป็นหัวหน้าถึงจะมีก็มีน้อยที่สุดไม่ให้มีเลยนะ่ะดีที่สุดนะ อไม่เหุควรจะมีเลยเอควรจะมองดูอันไหนควรจะทํำยังไงอันไหนจะเกิดประโยชน์อย่างไรนี่แหละถ้าพวกเราคิดไว้ในใจมีทำอยู่ในใจอย่างนี้แหละมีแต่ความผลาสุกถึงจะคนอื่นจะไม่ผลาสุกแต่ใจของเราผาสุกนะเพราะเราอมีน้ําจิตน้ําใจมีความเมตตาอย่างนั้นไว้ในใจะ แต่ทั้งโลกทั้งโลกจะให้ได้อย่างที่เราต้องการอย่างที่เราปรารถนาก็คงจะเป็นอย่างนั้นได้ยากแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเอาใจเรานี่แหละเป็นหลักเป็นหลักประกันเป็นที่ตั้งไว้ก่อนพอเราได้เรียนรู้เราได้ศึกษาเรามองเห็นว่าเกิดประโยชน์จริงถ้าเราทำปฏิบัติอย่างนี้เนะพราะนั้นเราก็เดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่เราได้ฟังได้ศึกษามาหลวงพ่อว่าถึงอย่างไงยังไ ง, ง, ไงถ้าเราเป็นหลักอยู่แล้วนะคนน่งก็เป็นหลักหนึ่งคนสองก็เป็นหลักสองต่างคนต่างหลักนะพวกเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขไม่มากก็น้อยในชุมชนในสังคมของพวกเราในกลุ่มของพวกเรานะตนนี้ไปรับพรอนโมทนาให้พร